Thank you. สามนเณรแล้วก็ศิลจารินีวันนี้เป็นวันที่พ่อแม่ของเราเนี่ยนะหรือว่ายมพ่อยมแม่เนี่ยรวมทั้งปู่ย่าตายายเนี่ยที่มาด้วยมีความสุขมากนะหลายท่านเนี่ยสุขภาพจะไม่ดีนะเพราะว่าชราแล้วแต่ก็อุตสาหนั่งรถนะมาเป็นวันนะเพื่อจะได้มาเห็นภาพนี้ในวันนี้ ทำไมยมพ่อยมแม่หรือว่าปุยตายายเนี่ยถึงมีความสุขมากนะที่ได้เห็นภาพของพวกเราในวันนี้ไม่ว่าจะผมเหลืองหรือผ่มขาวก็ตามเพราะว่าท่านอยากจะให้เราเนี่ยมีคุณสมบัติสมอย่างนะคือเก่งดีแล้วก็มีสุขนะสามอย่างเนี่ยนะเราก็คงได้ยินมาแล้วนะในโรงเรียนของเราก็จะพูดว่าเก่งดีมีสุขนะ คือจุดมุ่งหมายที่อยากให้นักเรียนเป็นนะบางคนอยากให้ลูกเก่งนะปิดเทอมก็พาไปเรียนพิเศษนะไปโรงเรียนกวดวิชาสถาบันติวเตอร์เนี่ยเสียเงินเยอะแยะนะแต่ว่าหลายท่านก็เลือกที่จะพาพวกเรานะมามาเรียนพิเศษที่นี่นะกิวป่าสุกโตที่นี่เราไม่ได้สอนวิชาการนะแต่ว่า ความเก่งมันมีหลายแบบอ่านะถ้าเก่งในเรื่องนะของความรู้นะทำโจทย์ตอบเลขได้นี่อันนี้ก็ทางโรงเรียนนะหรือว่าสถาบันกวดวิชานี่เขาทำในเรื่องนี้หรือเก่งในการสอบเก่งในการสอบเข้ามหมายเทโลนีนะ่ที่นี่ไม่มีปัญญาหรอกนะแต่ว่าที่โรงเรียนหรือว่าสถาบันติวเตอร์นี่เขาสอนเราได้ ึกเราได้ที่นี่เราจะมาเก่งด้านอื่นนะเก่งในเรื่องของการครองตนเก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาของตัวเราได้โดยเพราะปัญหาในจิตใจเด็กจำนวนมากนะเก่งในเรื่องวิชาการนะคิดเลขได้ไวตอบโจทย์ได้เร็วนะแต่พอมีความทุกข์ในจิตใจนะแก้ไม่ได้นะ หาทางออกไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์นะเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้นะอันนี้แสดงว่ายังไม่เก่งพอในเรื่องการแก้ปัญหาความทุกข์ของตัวเราแต่ที่นี่เนี่ยนะเราจะมาฝึกนะให้เราเก่งตรงนี้แหละไม่มากก็ น, น้อยนะเก่งในทางวิชาการหลายคนก็ไม่มีความสุขแถมไม่ดีด้วยนะ คืออาจจะเห็นแค่ตัวนะเอาแต่ใจตัวไม่สนใจทางบ้านนะไม่สนใจหมู่คณะอันนี้เรกว่าเก่งแต่ไม่ดีหลายคนเก่งแล้วเนี่ยแต่ไม่มีความสุขเครียดนะเครียดมากเพราะว่าไม่ได้พักไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะเรียนจบอ่าโรงเรียนเลิกโรงเรียนนะสี่โมงเย็นก็ ต้องไปติวต่อไปเรียนพิเศษต่อสาววิีิก็ไม่ได้หยุดเครียดนะเป็นอย่างนี้เยอะนะเก่งแต่ไม่มีความสุขนะไม่ต้องพูดถึงพวกที่ไม่เก่งเลยแล้วก็ไม่ดีไม่มีความสุขด้วยนี่ก็เยอะนะ่พ่าะที่นี่เนี่ยนะเราจะาจะทำให้พวกเราเนี่ยนะไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยนะให้เก่งด้วยนะเก่งในเรื่องการครองตนการแก้ปัญหาในจิตใจของตนให้ได้ แล้วก็ดีด้วยนะดีก็คือว่าไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็เอเื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นนะแล้วก็มีความสุขด้วยนะหลายคนจะสงสัยว่าจะมีความสุขได้ ย, ยังไงข้าวเย็นก็กินไม่ได้ใช่ไหมแถมเนี่ยเล่นเกมออนไลน์นะก็เล่นไม่ได้แล้วนะโทรทัศน์ก็ไม่ได้ดูนะของกินที่เคยกินได้นะอย่างสะดวกสบายมีกินตลอด24ชั่วโมงในตู้เย็น แต่ที่นี่จะไม่เป็นอย่างนั้นนะนอนก็ต้องนอนด้วยกันนะบางคนนอนคนเดียวในห้องหรือว่านอนห้องที่ติดแอร์นะแต่ที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นก็ดูนะว่ามันไม่สุขเลยที่จริงมันไม่สบายมากกว่าแต่ว่าความสุขอาจจะเกิดขึ้นได้ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ท่ามกลางความไม่สบายนะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะได้พบเองนะว่า เมื่อถึงวันหนึ่งที่เราต้องไปกลางเต็นท์ค้างแรมในป่าเมื่อถึงวันที่เราต้องไปนอนกลางดินกินกลางทรายเนี่ยไม่มีความสบายเลยนะแต่เราจะพบความสุขได้โดยเฉพาะในช่วงสามสีวันสุดท้ายนี่แหละนะเราจะพบว่าโอ้แม้จะอยู่ในที่ที่มันลาบากนะแต่มีความสุขเรามาที่นี่เนี่ยนะ เรามาเพื่อเรียนรู้นะมาเป็นการเรียนรู้แบบหนึ่งซึ่งโรงเรียนหรือหมาหาวิทยาลัยที่เราจะได้เข้าในวันข้างหน้าเนี่ยเขไม่ค่อยสนใจบางที่พ่อแม่ก็ไม่ค่อยสนใจด้วยว่าการเรียนแบบนี้สาคัญนะก็คือการเรียนนะเพื่อให้เราเนี่ยนะสามารถจะครองตนได้ครองตนหมายความว่ายังไงหมายความว่ารับผิดชอบตัวเองได้ เด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยรับผิดชอบตัวเองไม่ค่อยได้คืออาจจะเรียนเก่งนะแต่ว่าช่วยตัวเองไม่เป็นล้างจานก็ไม่เป็นนะเก็บที่นอนเองเก็บไม่เป็นก็มีบางคนเนี่ยหิวน้ำนี่เดินไปรินน้ำเองไม่ได้นะทำไม่เป็นต้องให้เพราะว่ามีคนใช้คอยรินน้ำให้นะสั่งนะสั่งให้คนใช้หรือว่าบางทีสั่งแม่ด้วยว่า มารินน้ำให้หน่อยเนี่ยเนี่ยที่เป็นถึงขนาดนี้นัเรียกว่ารับผิดชอบตัวเองไม่เป็นนะยังดีนะที่ยังมียังรู้จักอ่าชำระชำระร่างกายตัวเองเป็นนะมาที่นี่เนี่ยเราจะสอนให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองเป็นแล้วก็คลองตัวเองเป็นด้วยคลองตัวเองเป็นก็นหมายความว่ามีนะจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งนะไม่พ่ายแพ้นะ ต่อสิ่งร่ำเร้าเย้าวยวนแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุสําคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขความเจริญในชีวิตหรือแม้แต่ประสบความสำเร็จในการเรียนเนี่ยต้องมีตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งร่ำเร้าเย้าวยวนเยอะเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีสมาธิทํากันบ้านแล้วไม่มีสมาธิอ่านหนังสือสอบแล้ว เพราะว่าสิ่งรอบเราเยอะยวนมันเยอะมากเกมออนไลน์ก็ดีนะหรือว่าพวก l ลน์ก็ดี a ฟ e b o o กก็ดีโซเชียลมีเดียหรือว่าความบันเทิงตาม u ู u ูบอย่างเนี้ยมันเยอะไปหมดเลยแล้วเด็กก็เลยเนื่องจากจิตใจอ่อนแอเนี่ยพาะไม่ได้ผ่านการฝึกนะในเรื่องจิตใจก็เลยพ่ายแพ้ไม่มีสมาธิกับการเรียนไม่มีสมาธิกับการทาการบ้านนะ ไปโรงเรียนก็เอาแต่ก้มหน้านะเล่นเฟซเล่นไลน์เนี่ยนี่เป็นกันเยอะนะแม้แต่ในตะบมาวเชี่ยไรเวลาอยากเวลาไปไหนอยากได้โนนอยากได้นี่โทรศัพท์มือถือ iPod, iPad พดแทนที่ iPod ตคงไม่รู้จักกันละไอแพ iPhone อยากได้พอไม่ได้ขึ้นมาก็ทุกนะเพราะว่าเป็นทาาของสิ่งอเราเราย้ายวนมันอยาก ไปหมดเลยอยากได้ทุกอย่างได้แล้วเนี่ยก็ดีใจประเดี๋ยวเดียวอยากได้สิ่งใหม่ก็แล้วในบ้านนี้มีของเต็มบ้านเลยนะแต่ว่าไม่มีความสุขนะเพราะว่าพ่ายแพ้แต่อสิ่งรอดเราเยั่วยวนนะแล้วก็ที่จำเป็นต้องมีอย่างนึงคือไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุนะเช่นเพื่อนเขาจะมาพูดไม่ดีกับเราเขาจะมารังแกเรานะเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่โกรธเวลาพ่อแม่เขา ตักเตือนเรานะเราก็ไม่ทุกข์นะไม่รู้สึกขุนเคืองใจนะเพื่อนเขาอาจจะต่อว่าเราทาง a c e b o o k เราก็นะไม่โมโ ห, โหไม่กดไลค์ก็เฉยอนะ่ไม่ใช่บ่าพอไม่กดไลค์โอ้โหเป็นทุกข์มากเลยต้องไปบอกเพื่อนเพื่อนทางไลน์บอกช่วยกดไลค์ฉันหน่อยใน Facebook เนี่ยนี่เลยว่าเราต้องความรู้ความสามารถในการครองตนได้สำคัญมากเนี่ยนะเพราะว่า ไม่ทาให้เราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายไม่ใช่ว่าจะต้องมีความสุขจากการมีนั่นมีนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยความสุขของเด็กนักเรียนหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องได้มันต้องมีมีอะไรนะถ้าเป็นเด็กก็มีโทรศัพท์มือถือนะมีเครื่องดนตรีมีรองเท้าราคาแพงถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีรถยนต์ต้องมีบ้านความสุข ของคนเดี๋ยวนี้อยู่ที่การมีการได้ซึ่งมันเป็นสุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานนะเป็นภาระมากนะตั้งแต่ไปหามันมาก็เหนื่อยแล้วได้มันมาก็ต้องคอยรักษาเอาไว้กลัวเพื่อนขโมยนะคันนมันหายไปนะหรือว่าเสียไปก็ทุกบอกให้แม่ซื้อใหม่แม่ก็ไม่ซื้อร้อ ง, องห่มร้องไห้บางคนขนาดหนังนะ น้อเนื้อต่าใจมากค่าตัวตายเลยเนี่ยอันนี้จิตใจอ่อนแอเพราะว่าไม่ได้รับการฝึกฝนนะแต่ถ้าเราฝึกฝนดีนะเออรู้จักคลองตนได้นะเจอปัญหาแบบนี้ในจิตใจก็ปรับใจได้รู้จักแก้ทุกข์ในจิตใจของตัวอันนี้เนี่ยนะมันต้องฝึกตั้งแต่แหละตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ในวัยของพวกเรานี่แหละต้องฝึกแล้วนะคลองตนได้แล้วเราจะมีความสุขนะ แดดร้อนเราก็ไม่บ่นไม่ไววายตีโพยตีพายเพราะเรารู้ว่าอ๋อจริงจริงมันทุกข์ที่ใจปรับใจให้เย็นได้แดดร้อนแต่ใจเย็นก็ได้นะการมาบวชที่นี่เนี่ยไม่ว่ายิงหรือชายนะมันเป็นการที่จะพาเรานะได้พบนะกับความสุขนะเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยการมีการได้ให้วุ่นวายแต่อาศัยการทำนะ คนเราเนี่ยถ้ามีความสุขกับการทำนะโอ้ยมันสุขได้ตลอดเวลาอ่านหนังสือก็มีความสุขนะทำการบ้านก็มีความสุขแม้แต่ยากนะแต่ว่ามันภูมิใจเวลาทาเสร็จว่าเราได้ใช้ความสามารถนะทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นก็มีความสุขไม่ต้องรอว่าจะต้องมีจะต้องได้เด็กเนี่ยถ้าว่าความสุขของเด็กเนี่ยมาจากการมีการได้นะนะได้กินอาหารที่อร่อยได้ฟังเพลงเพราะได้ไปดูหนัง หรือว่าได้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเอาจะเอาแต่แบมือขออย่างเดียวกลายเป็นผู้แบมือขอขออย่างเดียวเลยนะพอแม่ไม่ให้พ่อไม่ให้ก็ทุกข์นะแม่นี่ก็ลาคาญพ่อก็ลาคาญก็เลยต้องซื้อให้ซื้อให้ก็ยิ่งกลายเป็นคนอ่อนแอเข้าไปใหญ่นะแต่ว่าถ้าเราพบว่าโอ้ยความสูงนี่ที่ดีที่ประเสรศิญนี่มันไม่ต้องแบมือขอแต่ลงมือทําเลยนะลงมือทํา ทำความดีนะฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนนะหรือว่าที่นี่เราจะมีอะไรให้ทําเยอะเลยนะในช่วงที่เราอยู่ที่นี่นะแม้กระทั่งการทําครัวเองแม้กระทั่งการทําหนังสือทอมือเองไอ้หนังสือที่ทำมือเองเรามีอะไรทาเยอะเพื่อจะพบว่าโอ้ยไอ้ทําพวกนี้มันก็มีมันก็ให้ความสุขกับเราได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องแบ่งมือขอคนนั้นคนนี้อย่างเดียวและมันภูมิใจกว่าด้วยมาอยู่ที่นี่นะ ก็ต้องเรียนรู้นะการอยู่ง่ายกินง่ายอันนี้เป็นเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่านักบวชเราเนี่ยนะธรรมชาติหรือว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งของนักบวชเราคือว่าต้องอยู่ง่ายกินง่ายการที่เรากินแค่สองมือ้อฉันสองมือ้อหรือว่ามื้อเดียวเนี่ยก็เพื่อให้เราเป็นคนอยู่ง่ายนะแต่ไม่ใช่มากง่ายนะหมายถึงความเรียบง่ายกินง่ายก็เหมือนกันหมายความว่าเราได้อะไรมาเราก็กิน นะเท่าที่มันจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพถ้ามนไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนี่เราก็ปฏิเสธได้นะหรือว่าเราก็ไม่เอานะเราไม่ขอนะเราไม่ขออ่ตอนเด็กตอนที่ก่อนบวชเราอาจจะขอพ่อขอแม่ขอปู่ขอย่าขอยายนะเอาพิซซ่าเอาแฮมเบอร์เกอร์เอาไอติมเอาช็อกโกแลตมาให้นะแต่เมื่อบวชแลวนี่นะเราต้องมีต้องถือว่าเราเป็นผู้ สละแล้วนะปรับพระชาการบวชมาก็ปรับพระชาแปลว่าสละก็สละนะความหรูหราความฟุ่มเฟือยสละความมีกตัวนะถ้าเราสละกิเลสได้มาเท่าไหร่ก็ถือว่าเราเป็นนักบวชนะที่น่าภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาอยู่ง่ายกินง่ายไม่ใช่เพื่อเราจะได้ไม่ไปเบียดเบียนญาติโยมเท่านั้นนะแต่เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยเพราะว่าถ้าเราอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ย อะไรอย่างหนึ่งที่มันจะง่ายตามมารมนะูมั้ยนะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปบ้างแล้วอยู่ง่ายกินง่ายเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือสุขง่ายสุขง่ายนักเรียนเดี๋ยวนี้สุขยากนะคนสมัยนี้สุขยากนะกินอาหารแค่กินอาหารธรมธรมดาธรรมดาก๋วยเตี๋ยวชามหรือว่าข้าวแกงชามเนี่ยไม่มีความสุขนะต้องกินของหรูนะ ไอ้เต็มเนี่ยต้องกินบาทสองบาทนี่ไม่ได้ต้องกินถ้วยละเป็นร้อยกาแฟนี่นะต้องกินกาแฟถ้วยละเป็นร้อยสองร้อยถึงจะมีความสุขนะบางคนนี่หนักกว่านั้นนะอันนี้เรียกว่าเป็นพ่ออยู่ยากกินยากความสุขมันก็เลยยากตามไปด้วยเรามาที่นี่เนี่ยเราจะมาฝึกว่าเราจะมาพบกับคุ้มทรัพย์อันประเสริฐนะก็คือความสุขง่ายนะสุขง่ายนี่แหละนะเป็นสิ่งที่ ถ้าเราพบนะหรือเราเป็นนะถือว่าโชคดีมากแต่ที่จริงมันไม่ได้เป็นเรื่องโชคหรอกมันเกิดจากฝีมือนะเกิดจากความเพียรเกิดจากการฝึกฝนเพราะนั้นเนี่ยนี่คือเพราะทำไมเนี่ยนะเราจึงต้องมาอยู่ง่ายกินง่ายนะเมื่อเราสุกง่ายแล้วเนี่ยนะเราจะทำอะไรมันก็ทำสาเร็จได้ง่ายเพราะว่าเจอความยอเจออุปสรรคเจอปัญหาเราก็ไม่ท้อไปที่ที่มันลาบากเราก็ ไม่หวั่นไหวเรายังมีความสุขได้นะเราทำให้เรามีกําลังเนี่ยที่จะทำงานนะไม่แพยแพ้แต่ออุปสรรคพอสุขง่ายเนี่ยมันก็สำเร็จง่ายนะสำเร็จง่ายสำเร็จทั้งในเรื่องการเรียนทั้งในการทำงานนะเพราะว่าเมื่อเรามีความสุขแล้วเนี่ยมันมีความเพียรมีความสุขที่ได้ทำนะมีความใฝ่ ร, รู้สู้สิ่งยากคนเราเนี่ยถ้าใฝ่รู้สู้สิ่งยาก เพราะว่ารู้ก็มีความสุขนะสู้สิ่งยากนะมันก็มีความสุขมันก็สําเร็จได้ง่ายนะนั่นเนี่ยที่เรามาเนี่ยนะเรามาช่วงสามอาทิตย์เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกนะก็คือพวเราเมาเรียนพิเศษนะแต่เรียนพิเศษแบบไม่เหมือนที่เขาเคยเรียนกันนะมันพิเศษจริงๆนะเพราะว่าเรามาเรียนวิชาชีวิตนะที่จะทําให้เราเนี่ย สามารถจะครองตนนะแก้ปัญหาของตัวนะแล้วก็สามารถจะ อ, อยู่และทำสิ่งดีงามได้อย่างมีความสุขเป็นเพราะเราจะได้มาพบสิ่งดีๆพ่อแม่เนี่ยยมพ่อยมแม่รวมทั้งญาติผู้ใหญ่จึงมีความสุขนะที่เห็นเรามาบวชไม่ว่าบวชเนหรือว่าบวชศีลจารีนี้ก็ตาม พวกเราน้อมาโชคดีนะเพราะว่ามีคนเรียกว่าเป็นพันเป็นหมื่นนะอยากจะบวชรู้ดูล้อเนี่ยอยากจะบวชแต่บวชไม่ได้บางคนติดเรียนบางคนติดซ่อมบางคนพ่อแม่ไม่มีศรัทธาหรือพ่อแม่กลัวลูกลําบากนะลูกนี่ปืนเหมือนกับไข่ในหินเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินนะจะให้ลูกมาลําบากนะเพราะเข้าใจว่าการมาบวชเนร น, นะหรือบวชสีนี่นะมันลําบากนะคิดว่ามันเป็นการทรมาน ไม่ได้นะที่จะเห็นลูกห่างจากอ้อม อ, อกของตัวหรือทนไม่ได้ที่จะเห็นลูกมานะกินแค่วันละสองมื้อเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาอยากมาแต่เขามาไม่ได้เพราะพอ่อแม่ไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมบางคนมาแล้วเนี่ยคลองจีวันแล้วปรากฏว่าเพิ่งมาพบว่าอายุไม่ถึง9ขวบนะหมดสิทธินะร้องห h o ร้องไห้นะโหอายุแค่8ดขวบครึ่งนะบวชไม่ได้นะร้องห h o ร้องไหนะ้เนี่ยปีที่แล้วมีแล้วนะ เสียใจมากนะไอ้พวกเราเนี่ยนะถือว่าโชคดีนะเราได้มาบวชนะไม่ว่าจะครองผ้าสีเหลืองหรือสีขาวก็ตามนะถือว่ามันเป็นโชคนะถือว่ามันเป็นโอกาสสำคัญเลยนะหลายคนเนี่ยอาจจะมาเพราะว่าพ่อแม่ขอร้องหรือว่ามีรางวัล น, นะมายั่วยวนนะไม่เป็นไรนะจะมาด้วยผลใดก็แล้วแต่นะ ขอยมาแล้วเนี่ยนะตั้งใจและต้องทำใจนะเพราะว่าสามวันแรกเนี่ยนะมันจะมันจะลำบากสามวันแรกนะไม่คุ้นกับสถานที่หลับก็ไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามีเพื่อนมา อ, อยู่ในอยู่ในห้องเดียวกันเยอะนะหรือว่าวิธีปฏิบัตินะเช่นการตื่นการนอนเนี่ยโอ้โหตื่นตีสามครึ่ง หรือเปล่เนี่ยรึกตื่นสี่ีนะการนอนนะลำบากแต่จริงอยู่ไปอยู่ไปนะความลําบากมันกลายเป็นความสบายเพราะเริ่มคุ้นเคยอดทนหน่อยนะเพราะว่ามันจะมันจ ะ, ม, นจะมันจะลำบากหรือว่ามันจะรู้สึกติดขัดเนี่ยช่วง3ามวันแรกโดยรวมทั้งเรื่องการคลองผ้าด้วยนะแต่ถ้าเราคลองนะมันฝึกบ่อยๆนะเราจะคลองได้ง่ายขึ้นเดินเหินได้สะดวกขึ้นนะ และพอเราปรับตัวเข้ากับการกินการตื่นการนอนการทํากิจวัตรนะมันจะเพลินนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนเนี่ยปีนี้กลับมาบวชใหม่บางคนเนี่ยปีนี้ปีที่สมแล้วบางคนก็ปีที่สองนะเพราะติดใจนะติดใจเพราะว่ า, าไดา้ได้เรียนรู้หลายอย่างแล้วก็เรียนรู้อย่างสนุกด้วยการมาบวชนะที่นี่เนี่ยนะ มันจะฝึกเราหลายอย่างนะแล้วก็ฝึกว่าเราจะมีฝึกให้หัวใจเราเป็นหัวใจที่ใหญ่ขึ้นหัวใจที่เข้มแข็งเนี่ยเกิดจากการออกกำลังกายนะที่นี่ก็จะมีออกกำลังกายเหมือนกันนะนะใครที่ไม่คุ้นนะก็ต้องเตรียมใจไว้เพราะว่าเราจะฝึกนะฝึกเดินฝึกทำหลายอย่างนะอันนี้เป็นเรื่องการทำให้หัวใจเข้มแข็งนะแต่ว่าเราต้องการหัวใจที่ใหญ่ด้วยใหญ่คือความเอื้อเฟื้อนะมีน้าใจ คนที่มีความเอื้อเฟื้อกล้าหาญเนี่ยไม่กลัวลำบากเขาเรียกว่าใจใหญ่นะเราจะมาฝึกกันตรงนี้ด้วยนะบางคนเนี่ยตัวใหญ่นะแต่ใจเล็กนะก็คือว่าขี้กลัวหรือว่าเห็นแต่ตัวนะไม่ค่อยเอื้อเฟื้อผู้อื่นบางคนตัวเล็กนะผู้หญิงด้วยนะแต่ว่าเอื้อเฟื้อนะไม่ใช่เอื้อเฟื้อเฉพาะเพื่อนศีลหรือว่าเพื่อนเนรเท่านั้นแต่บางทีก็เอื้อเฟื้อไปถึงพี่เลี้ยงด้วย อันนี้หัวใจเธอใหญ่มากน ะ, ะเราจะเจอแบบนี้อยู่บ่อยๆนะซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีนะที่ทำให้คนอื่นๆเนี่ยเขาได้เกิดความเสียสละเกิดความมีน้ำใจด้วยต้องย้ำนะว่าเนี่ยบวชเนรเนี่ยหรือว่าบวชศีลก็ตามเนี่ยนะใจเราต้องใหญ่ขึ้นนะใจเราต้องใหญ่ขึ้นนะแม้แม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแม้ว่าตัวจะเล็กก็ตามนะ สำหรับยมพ่อยมแม่ก็ต้องเข้มแข็งเหมือนกันนะการบวนเนนี่ไม่ใช่ว่าลูกของเราต้องเข้มแข็งอย่างเดียวเราก็ต้องเข้มแข็งด้วยยอมให้ลูกเราเนี่ยนะมาใช้ชีวิตที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าบางทีต้องเจอความลาบากบ้างนะกินอาหารที่อาจจะไม่ได้รูนะอย่างที่ ทำที่บ้านบางทีต้องนอนกลางดินงกลางทรายหรือว่าแม้แต่การอดมือเย็นเนี่ยนะขอให้ตระหนักว่าอันนี้มันเป็นการฝึกให้มีความคุ้นเคยกับความทุกข์เรียกว่าทําให้เกิดภูมิคุ้มกันความทุกข์นะคนเราเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคได้เนี่ยซึ่งช่วยทําให้สุขภาพดีเนี่ยก็ต้องนะมีการเติมเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย การที่เราฉีดวัคซีนขึ้นไปในร่างกายเพื่ออะไรเพื่อมีสุขภาพดีสุขภาพดีเพราะอะไรเพราะว่าภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานมันทํางานทํางานเพราะอะไรเพราะมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายพอภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเนี่ยมันเจอเชื้อโรคมันคุ้นเคยมันก็รู้จักนะเวลาเชื้อโรคเข้ามานี่ทำอะไรมันไม่ได้เด็กที่เขาเล่นกับดินเล่นกับทรายหรือเล่นน้ําคลองเนี่ยเขาจะมีร่างกายสุขภาพที่ดีมากเพราะว่าเขาได้เชื้อโรคนะ จากการสัมผัสดินน้ำในชีวิตประจําวันสุขภาพก็ดีร่างกายก็เข้มแข็งเป็นโรคแพ้น้อยเด็กสมัยนี้เนี่ยเจอเชื้อโรคน้อยนะเพราะว่าพ่อแม่อันามัยมากไม่เคยสัมผัส ด, ดินไม่เคยสัมผัสทรายเพราะกลัวมีเชื้อโรคเพราะกลัวว่าลูกกลายเป็นเด็กที่อ่อนแอเพราะว่าไม่เคยร่างกายไม่เคยสัมผัสเชื้อโรคเลยนะเราต้องให้ถ้าเราต้องการลูกเราเนี่ยมีร่างกายที่เข้มแข็งนะก็ต้องให้ร่างกายมนสัมผัสกับเชื้อโรคบ้าง ภูมิคุ้มกาน ร, ร่างกายมาถึงจะถูกเรียกว่ากระตุ้นให้กระชุ่มกระชวยนะอันนี้ร่างกายฉันใดจิตใจก็ฉันนั้นนะจิตใจจะมีสุขภาพดีเนี่ยเข้มแข็งก็ต้องเจอกับความทุกข์ความยากความลําบากบ่อยๆนะพอเจอบ่อยๆเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันความทุกภูมิคุ้มกันความยากลําบากเจอความยากลาบากนะก็จะเฉยนะเฉยเข้มแข็ง ไม่เหมือนกับคนอื่นนะที่ไม่เคยเจอความยากลาบากพอผิดหวังเล็กน้อยแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์ให้แม่ไม่ซื้อ iPad ดให้โอ o, ร้องห่มร้องไห้นะจะเป็นจะตายเพราะว่าเขาไม่รู้จักเขาไม่มีภูมิคุ้มกันความผิดหวังเขาไม่มีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยนะลูกของเรามาที่นี่เนี่ยเขาจะได้มาสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ความยากลาบาก ด้วยการที่เขามาลองมาเจอความลาบากบ้างนะแล้วจิตใจเก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่เรียกว่าทั้งเก่งด้วยแล้วก็ดีด้วยมีสุขด้วยนะเป็นสุขที่ไม่ได้อิงวัตถุเป็นสุขที่ไม่ได้เกิดจากการแบรมือขอนะหรือว่าดิ้นรนกระเสิกระสนที่จะให้มีให้ได้โนนให้ได้นี่แต่เป็นความสุขที่เกิดจากการอยู่ง่ายกินง่ายเป็นความสุขที่เกิดจากการที่ได้ทาสิ่งที่ เป็นความสุขที่เกิดจากความภูมิใจที่ได้ทำสิ่งที่ยากที่ลำบากได้และเป็นความสุขที่ได้ฝึกจิตทำสติสร้างสติทำสมาธิภาวนาทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็จะเอามานะผสมกันนะในช่วงสามเดือนนี้เพื่อให้ลูกของเรานะหรือว่าหลานของเราเนี่ยนะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีนะเก่งด้วยดีด้วยแล้วก็มีสุขด้วย เอาละก็คงจะได้พูดกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็สำหรับวันนี้นะกะ็ขอยุติดเพียงเท่านี้นะ